ในประโยชน์ทั้งปวงก็มีในนี้นั่นแหละเนี่ยนะประโยชน์คือป้องกันความร้อนก็อธิบายแบบหนาวนี่แหละถ้าความร้อนบางอย่างเนี่ยนะเอาผ้ามานุ่งห่มแล้วก็ไม่ค่อยร้อนละสมมติว่าในในกลางแดดเลยนะถ้านนุ่งห่มผ้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยร้อนนะนะถึงเหงือ่อเหงื่อแตกปบก็เย็นแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่มีผ้าเลยนะแล้วตากแดดตรงๆเนี่ยโหมันร้อนอย่าบอกใครเลย คำว่าความร้อนเนีย่ยนะว่าใช้สอยเครื่องนุ่งห่มเพื่อบำบัดความร้อนเนีย่ยนะได้แก่ความร้อนแห่งไฟแต่เพิ่งทราบถึงความเกิดขึ้นแห่งความร้อนนั้นในเพราะเหตุมีไฟป่าเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าการใช้สอยผ้าเนี่ยนะเพื่อบำบัดความร้อนความร้อนที่เกิดจากไฟป่าเป็นต้นก็คือความร้อนที่เกิดจากไฟป่าบางทีเราต้องเดิน สมมติว่ามีเปลวไฟข้างทางนะคือต้องนึกภาพแบบโบราณว่าผ้าโบราณบางทีเวลาเดินทางเนี่ยนะมันจะมีไฟไหม้ข้างทางอยู่ก็เอาผ้าเนี่ยกันนะก็จะช่วยทําให้เย็นไปเยอะหรือว่าเดินตากแดดเนี่ยนะผ้าเนี่ยมาเป็นร่มได้นะทำมาเป็นร่มเพราะฉะนั้นไอจีวอเนี่ยเป็นเครื่องที่บําบัดความร้อนได้เป็นอย่างดีในตอนนั้นเนี่ยนะ ส่วนบทว่าดังสกะดังส ะ, ะ, ะ, งสะมะกะสะวาตาตะปะสิริงสะ ส, ะสะปะสัมผัสานังเนี่ย น, นะที่แปลว่าสัมผัสแห่งเลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานนี้พึงพาทราบอธิบายดังนี้ดังสาได้แก่เลือบนะก็ทอนนางมนโนในอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กนะคำว่าทางสาได้แก่เลือบเรียกมแมลงวันหัวเขียวก็ได้อ่าหรือว่าพวก ถ้าเป็นเหลือบนี่นะไทยเราจะนึกออกง่ายนะคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควานี่จะรู้จักเหลือบเป็นอย่างดีเลยนะโอเหลือบมันกัดขนาดหนังควานี่มันยังกัดแล้วดูดเลือดมากินได้อะเก่งถ้ากัดเราปุ๊บเนี่ยเหมือนใครเอาเข็มมาแทงเลยนะถ้าถ้ามันกัดเราเนี่ยมันจะรีบปัดอย่างเร็ว น, นะเขาเจ็บมากเพราะฉะนั้นไอจีวอนี่นะก็จะช่วยในเรื่องป้องกันเหลือบอันนี้เป็นอย่างดี หรือคือถ้าหากว่าจะอยู่ในวัดป่าเนี่ยนะอยู่ในวัดป่าหรือว่าในสถานที่ที่มันค่อนข้างป่ามากๆสัตว์ประเภทนี้จะเยอะมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผ้านเนี่ยโหเป็นเกราะอย่างดีเลยนะช่วยได้อย่างมากบทว่ามักษาได้แกยุงนั่นเองเนะพวกตระกูลมแมลงทุกชนิดนั่นแหละบทว่าวาตาได้แก่ลมทั้งหลายที่แยกเป็นลมเจือฝุ่นและลมไม่เจือฝุ่นเป็นต้น จีวอร์เนี่ยนะช่วยเกี่ยวกับเรื่องลมได้ลมแรงๆนี่เอาผ้ามาก็ช่วยได้บทว่าอาตปะได้แก่แดดสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่เสื่อกคลานไปทุกชนิดซึ่งได้แก่พวกที่มีลำตัวยาวมีงูเป็นต้นชื่อว่าซิเรงสปานะสัตว์ประเภทตัวยาวๆกนะสัมผัสของสัตว์เหล่านั้นมีสองอย่างคือสัมผัสเพราะกัดหนึ่งสัมผัสเพราะกระทบหนึ่ง ไอ้ตัวยาวๆหน่อยก็เช่นตัวหนอนตัวบุ้งอ่ะนะถ้าหากว่ามันมากระทบเนี่ยโหคันอย่าบอกใครเลยจะนะท่านไปสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าวัดอุโมงค์เนี่ยมันมีช่วงช่วงใบไม้มันร่วงแล้วใบไม้มันแตกอ่อนอ่อนๆเนี่ยนะจะมีประเภทบุ้งเนี่ยมากเพราะฉะนั้นถ้าเดินไปเนี่ยจะคันไปทั้งตัวไปหมดเลยจะนยจะคันไปทั้งตัวถ้าหากว่ามีผ้าคลุมมันก็ก็ยังชั่วหน่อยหรือว่า บางทีบางช่วงเนี่ยนะต้นหมามุ่ยนะต้นตำแยเนี่ยถ้าเราเดินผ่านเนี่ยนะถ้าไม่มีผ้าคลุมเนี่ยมันจะพัดมาเนี่ยโอ้ยคันสุดยอดเลยถ้าหากว่าโดนน้อยๆก็ค่ ย, ยังชั่วหน่อยถ้าโดนมากๆเนี่ยคันจริงๆอันผ้านี่ก็จะป้องกันประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้นสัมผัสแม้นั้นจะเบียดเบียนพิกษุผู้ห่มจีวรนั่งอยู่หาได้ไหมถ้านุ่งห่มนะสัมผัสเหล่านี้จะไม่กระทบเลย เพราะเหตุนั้นพิสูจจึงใช้สอยจีวรเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันสิ่งเบียดเบียนมีความหนาวเป็นต้นเหล่านั้นในเพราะเหตุทั้งหลายที่เป็นเช่นนั้นนะเครื่องนลงห่มป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยที่จริงเราใช้ประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้จนลืมนะนะคือถ้าถ้าอยู่เกิดตั้งแต่ยุคสมัยที่ไม่ค่อยมีผ้าใช้เนี่ยนะจะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ว่าโอ้เสื้อผ้าทุก ทุกชิ้นที่เรานุ่งห่มเนี่ยป้องการช่วยเหลือประโยชน์สิ่งเหล่านี้จริงๆทีนี้มันใช้สอยเรียกว่าได้รับประโยชน์จนลืมไปว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะเลยลืมไปหรือที่สัมนวนที่ว่าบ้านอยู่ติดแม่น้ำใช้น้ำมากไปใช้จนเพลินอ่ะนะจนนึกไม่ออกว่าขาดน้ำมันเป็นยังไงนะว่าไงเป็นประโยชน์ค่าด้วยแล้วก็เป็นปัญญาด้วย น, นะคือคนเนี่ย มนุษย์เนี่ยฉลาดใช่ไหมสามารถหาสิ่งป้องกันเนี่ยประโยคะเพื่อที่จะไม่ให้อาคุศนมันให้ผลที่จริงเวลาหนาวก็จะหนาวจริงๆนี่ยแหละเวลาร้อนก็จะร้อนจริงๆแต่ความที่มนุษย์มีประโยคะอาคุศลบางอย่างประโยคะสมบัติห้ามไว้ก็ยังไม่ให้ผลนะไม่ใช่เขาหมดนะจริงแต่ว่าเขาไม่มีปัจจัยเขาก็เลยให้ผลไม่ได้คิดอย่างนี้แน่ากลัวมากเลยแสดงว่า ไอ้วิบาศกที่ย่ๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันมีมากมากก็จนมันรู้จะไหม้ไงนะนี่นเรา อ, รอาศัยประโยคะมาช่วยบรรเทามันนะนนจริงๆแล้วเราต้องได้รับมากกว่านี้อีกเยอะถูกไหมครับถึงถ้าหากว่าอากุศลมันจะให้ผลเนี่ยนะถึงประโยค่แล้วมันก็ยังให้ อ, ะอ่ะะอย่างยกตัวอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนโรคผื่นคันเนี่ยนะนั่งอยู่ที่ไหนมันก็คันคนอื่นเขาเอาผ้าเอาอะไรมาปิดนะคันข้างนอกก็ไม่ไม่รบกวนนะ ในบางคนนี่มันคันมาจากสมุทรฐานข้างในอะ่ะกรรมเป็นสมุทฐานยังไงอันนั้นเอายากเหมือนกันนี่นะแต่ว่าถ้าโดยวิบากธรรมดาทั่วๆไปแล้วใช้ประโยชคะคือจัดหาเครื่องนุ่งหม่มการนุ่งห่มที่ถูกหลักเลยนะก็ป้องกันได้ละแต่ถ้าวิบากมันหนักจริงๆเข้าเนี่ยนะมันเกิดกำเริบ ม, มาจากข้างในอะ่ะอย่างเช่นถ้าความในในร่างกายของเราเนะ่ยแผลผุพองเนี่ย น, นะถ้าเกิดมาจากข้างนอกใช่ไหยก็หาอะไรมาปิดแผลผุพองก็ไม่เกิด แต่ถ้ามันผู้พองมาแตกมาจากข้างในอันเนี้ยป้องกันยากๆๆนาะเจริญพรจะต้องไปหาประเภทอาหารนะนะไปหาอาหารเข้าไปเช่นน้ำเหลืองไม่ดีก็ต้องไปใช้อาหารชรูปแต่ถ้ากรรมหนักๆจริงๆเนี่ย น, นะอาหารก็ช่วยไม่ได้ทาไมงั้นมันแก้ปัญหาได้ทุกโรคหมดแล้วแต่นี่มันแก้ไม่ได้หมดหรอกเพราะว่ากรรมเนี่ยมันทํามากแต่ในขณะเดียวกันของเราเนี่ยนะมาแต่งเงาสัดส่วนใหญ่ การแต่งวิบากก็คือการแต่งภาพในกระจกนั่นเองเนี่ยนะเมื่อส่องไปให้ภาพมีข้างในแล้วก็มาแต่งสีสันในกระจกเพราะเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยแต่งที่เหตุเลยนะวันนี้เราคิดจะแต่งความคิดกับคิดจะแต่งตัวนี้คิดแต่งอะไรมากกว่าแสดงว่าจะแต่งวิบากและกรรมชรูปมากกว่าที่จะแต่งเจตนาซึ่งเป็นตัวกรรมเพราะนั้นแต่งยังไงก็เลยไม่ไม่ถึงที่สุดสักทีหนึ่งเนี่ยนะแั้นการเจริญกุศล ประเภทศีลเหล่านี้ก็คือเริ่มมาแต่งความคิดของเราละเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ควรคิดอย่างไรเนี่ยนะเพราะว่าอันนี้คือต้นเหตุเนี่ยนะเพราะว่าตามคําสอนของเรากล่าวถึงเจตนานั้นเป็นเป็นเหตุของวิบากและกระตัตารูปหรือกรรมชรูปนั่นเองต้องดูว่าในร่างกายซึ่งมีสมุทรฐานสีเนี่ยนะไอ้โรคอันเนี้ยไปเบียดเบียนอันไหนสมุทฐานไหนถ้าเบียดเบียน อ, อุตุสมุธาน น, นะโรคนั้นก็แสดงว่าเกิดจากอย่างอื่น น, นะแต่ในขณะเดียวกันนี่นะโรคจะไม่ไม่เกิดขึ้นในกายเด็ดขาดเลยถ้าประโยคนาไม่วิบัตเนะคือมนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ปฏิสนธิด้วยมหามหาวิบัตซึ่งเป็นผลของมหากุศลถ้าโดยธรรมดาทั่วไปแล้วอากุศลจะไม่ให้ผลได้ง่ายนะักเพราะว่าคติเนี่ยนะคติสมบัติห้ามไว แต่ถ้ากรรมมันหนักๆจริงๆเนี่ยนะมันก็มาเบียดคติอีกเขาบอกว่าถ้าหากว่าฉันตามมาทันตั้งแต่ต้นนะฉันไม่ให้มาแกมาเกิดเป็นมนุษย์อกอกศกเนี่ยนะที่เป็นอุปปีและกักรรมแต่ช่างเถอะตั้งกันนี้ไปฉันจะเล่นงานแกให้เต็มที่ไปเลยแต่ทีนี้ถ้าอุปคาตะกรรมบอกว่าเ้ยอย่าอยู่นานเลยขาทิ้งเถอะ <laughs> เพราะว่าในในร่างกายของเราเนี่ยนะกรรมบางอย่างมาทาให้เกิดขึ้นก็เรียกว่าชนะกกรรม กรรมที่ทำให้เกิดกรรมที่ทำให้วิบากและกรรมชรูปเกิดกรรมบางอย่างมาอุปถมัมมาทำให้วิบากกรรมมชรูปนั้นนั้นมีคุณภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปกรรมบางอย่างเบียดอย่างเดียวยนะกรรมบางอย่างก็ฆ่าเลยอย่างเช่นพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะกรรมบางอย่างก็เหมือนกับพ่อแม่ให้กำเนิดเรากรรมบางอย่างก็เหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมพวกญาติที่มาคอยประคบประงมเรา กรรมบางอย่างก็เหมือนกับศัตรูยุ้มยุมยิ้ม ย, ม ย, ม ย, มยิมที่มาคอยทําเรื่องก่อความรําคาญให้ไม่สิ้นสุดอ่ะนะอันนี้เรียกว่าประเภทอุปปีและกกรรมไอ้บางอย่างนี่เหมือนศัตรูเลยเห็นน่าต้องฆ่าอย่างเดียวฉะวนั้นกรรมนี่นะถ้าเปรียบเทียบเป็นบุคลาที่ฐานแบบธรรมดาทั่วไปก็เหมือนกับกรรมที่ทําให้เกิดเหมือนกับพ่อแม่แกรรมที่มาอุปธรรมก็เหมือนกับมูญาติทั้งหลายนะหรือว่าคนที่มีอุปการะคุณเนี่ยนะก็เหมือนประเภทพวกอุปธรรมภกะกรรมบางอย่างเนี่ย อุปปีและ ก, ะกรรมก็คือประเภทศัตรูที่มาเบียดเบียนมาคอยขมเหงคอยรังแ ก, ก่ต่างๆและก็อีกอย่างหนึ่งศัตรูคู่อาฆาตเลยนะเห็นหน้าต้องฆ่านะและชีวิตของเราเนี่ยถ้าโดยมนุษย์ที่เราเกี่ยวข้องก็เป็นลักษณะนี้เจตนากรรมในอดีตที่ส่งผลมาในชีวิตขณะนี้ก็ก็เป็นลักษณะนั้นเพราะมนุษย์นั้นเป็นธรรมะที่หรือว่าเป็นทั้งรูปธรรมนามธรรม ท, ที่มีปัจจัยมากจริงๆเนี่ยนะ ปัจจของความเป็นมนุษย์เนี่ยมากานะพระองจึงตรัสว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยได้โดยยากจริงๆเขาทั้งเขาเนี่ยมีมนุษย์อยู่ไม่กี่คนนะแต่ว่าเหลือบยุงมีเท่าไหร่มแมลงมีเท่าไหร่นะสัตว์ในอ บ, บานี่มากมายจริงๆต่อไปนะส่วนบทว่าการกล่าวคําว่ายาวะเทวะดังนี้อีกก็เพื่อแสดงการกําหนดเขตแดน ของประโยชน์ประจำเนี่ยนะยาวะยาวะเทวะศีตาสาปฏิคาตายะอุณหาสาปฏิคาตายะตังสมะกสาวาตาตาปัสิริงสัพสัมปัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะฮิริโกปินาปฏิชาธนาทังเนี่ยนะมันก็มียาวะเทวสองครั้งนะยาวะเทวะตั้งกับต้นครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็มายะเทยาวะเทวะอีกครั้งหนึ่งในหน้า107เนี่ยนะมียาวะเทวะ นะตรงที่ขีดเส้นใต้จะมีคำว่ายาวะเทวะแล้วก็มาข้างในหน้า109ก็จะมีคำว่ายาวะเทวะทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสคำว่ายาวะเทวะทั้งทั้งสองครั้งเนี่ยนะที่แสดงอย่างนี้ก็เพื่อจะแสดงการกำหนดเขตแดนของประโยชน์ประจาว่าที่จริงการปกปิดอวัยวะอันจะยังความละอายให้กำเริบเป็นประโยชน์ประจา ประโยชน์นอกนี้มีได้ในการบางครั้งบางคราวเขาเรียกว่าการใช้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะมีประโยชน์ประจำกับประโยชน์จรถามว่าประโยชน์ประจำของการนุ่งห่มคืออะไรคือเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายส่วนเพื่อประโยชน์จรเาเรียกว่าก็คือบางช่วงบำบัดความหนาวใช่ไหมบางช่วงก็บำบัดความร้อนบางแห่งก็บำบัดสัมผัสที่เกิดจากเลือบ บางแห่งก็สัมผัสที่เกิดจากยุงบางแห่งก็สัมผัสที่เกิดจากลมบางแห่งก็เกิดสัมผัสที่เกิดจากแดดเพราะฉะนั้นประโยชน์เหล่านั้นเป็นประโยชน์จอชั่วครั้งช่วคราวเท่านั้นเองแต่ว่าประโยชน์ที่ทั่วไปของผ้าเลยแน่นอนที่สุดคือปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเนี่ยนะหรือว่าจะยังความละอายให้กำเริบา ย, ยาวะเทวะเนี่ยนะเพียงเพื่อ อ่าเจนทรถ้าโดยสับเนี่ยนะก็บอกว่าเพียงเพื่อเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายในบทว่าฮิริโกปินะปฏิชานาาัตถังที่แปลว่าเพื่อการปกปิดอวัยวะเนี่ยนะนะถ้าบาลีเนี่ยเขาแปลจากข้างหลังไปข้างหน้านะอัดถังข้างหลังเนี่ยนะอัดถังปฏิชานะ ฮิริโกปินะเนี่ยนะอาถังก็คือเพื่อประโยชน์ปฏิจฉาธนะก็คือปกปิดฮิริโกปินะก็คือความละอายที่จะกำเริบขึ้นนะเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่จะทําให้อีความละอายเนี่ยกำเริบขึ้นใช่ไหมถ้าไม่นุ่งผ้าเนี่ยผมจะอายม้วนขนาดไหนเว้นไว้แต่ว่าเกิดมานุ่งลมหอบอากาศมาเลยก็ไม่อายละแต่ถ้าเป็นสังคมเมืองทั่วไปแล้วก็การที่จะมาเปิดนั่นก็เป็นเหตุแห่งความละอายเป็นอย่างยิ่งครับว่างั้น พันธิโกโปินะปฏิชาธนะถังที่แปลว่าเพื่อการปกปิดอวัยวะอันจะยังความละอายให้กําเริบเพราะฉะนั้นฐานะที่มิชิดนั้นนั้นชื่อว่าฮิริโกปินะถ้าบอกว่าฝันแบบนี้นะถ้าเกิดจากกรมรหมหรกรรมประเภทไปแอบซ่อนผ้าหรือเปล่าเขา ม, มีมีนะในคัมภี์เปรตตวัตถุเนี่ยมีเปรตเปรต เปรตนึงเปรตอะเปรตนี้มีเพื่อนใช่ไหมก็ชวนเพื่อนไปอาบน้ํามาะอะไรกันอ่ะไอ้เจ้านี้ก็แอบลักผ้าเพื่อนเลยน่ะนะพวกนั้นจะได้ขึ้นน้ําดูที่มันจะทำหน้ากันยังไงนะคือคือสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะอาบน้ําตามลําตามคลองใช่ไหมการที่แก้ผ้าอาบน้ําถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเขาอ่ะก็เอาผ้าวางไว้ข้างบนบอกไอ้เพื่อนที่ขึ้นก่อนเนี่ยนะเอาผ้าตัวเองนุ่งเสร็จแล้วจับผ้าคนอื่นไว้ด้วยอ่ะดูที่พวกนั้นจะทําหน้ากันยังไงนะ เขาบอกว่ากรรมมันนั้นเนี่ยนะพอพอตอนหลังแกไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยนะแกไม่มีผ้านุ่งเลยนั่เออมันเป็นอย่างนี้นบางคนเนี่ยหาผ้าจะนุ่งจะห่มเนี่ยยังหาไม่ได้เลยนะบางคนเนี่ยนุ่งห่มผ้าไม่ได้เลยมันร้อนมันต้องมันต้องเปลือยกายอยู่นั่นแหละวิบากมันเป็นอย่างงั้นอย่างคนหลายคนนะแถวภาคอีสานเนี่ยเห็นเยอะเหมือนกันเขาจะใช้สอยผ้าไม่ได้ สมมติว่าแดดร้อนเขาก็ถอดเสือ้อเหนาๆก็ไม่ค่อยหาอะไรหาผ้ามาห่มนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละเป็นคนที่ใช้ผ้าไม่ค่อยได้เลยะนะผ้าดีๆเนี่ยเก็บไว้หมดะนะไอที่ไม่ค่อยดีหรือว่าผูๆนี่แหละเปื่อยๆนะี่เอามาใช้หรือบางทีนเนี่ยนะผิวหนังเนี่ยนะมันมันเขาบอกว่าถ้าเดินคู่กับกระเบือนะมันผิวก็จะคล้ายๆกันเข้าไปละมันดูถ้าจะห ย, บหยาบๆคล้ายๆกันนั่นแหละมันมันแผลบเลย ขึ้นต้นกับมาริซอนแตกใบอ่อนมาริอะไรอยเนาะเขาว่าธทำมกระเถิกย่างทายนะถ้าเราพูดแล้วเปลี่ยนประเด็นมากๆเนี่ยเขาว่าทำมะกะ ร, รมะเถิกย่างสายเขาว่างั้น <c oughs> ถูกกาหนิดอีกเหมือนกันจริงอยู่เมื่ออวัยวะ ใ, วววะใดๆถูกบุคคลเปิดเผยออกแล้วความละอายย่อมกำเริบคือย่อมพินาศไปอวัยวะนั้นๆท่านเรียกว่าเฮริโกปินะเพราะเป็นที่ยังความละอายให้กำเริบ ก็ความแห่งบทนี้ว่าเพื่อปกปิดอวัยวะอันจะยังความละอายให้กำเริบเพราะเหตุนั้นพระบาลีจึงเป็นฮิริโกปินะปฏิชาธนะถังเห็นไหมก็คือเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเนี่ยมันกำเริบขึ้นนะนะที่จริงประโยชน์อันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่ที่ทุกคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเมื่อใช้สอยปั๊บต้องเป็นอย่างนี้เลยนะว่าถ้าไม่ใช้สอยผ้าไม่นุ่งผ้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะ แต่ว่าประโยชน์จรกับประโยชน์แน่นอนนะแบ่งสองอย่างนี่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องนุ่งห่มนะที่จริงแล้วกุศลศีลหาไม่ยากนะถ้าเราไข้ควรเพราะเรานุ่งห่มกันอยู่แล้วใช่ไหมนุ่งห่มกันอยู่แล้วทํำยังไงจิตจึงจะเป็นกุศลในขณะนุ่งหม่มแต่อย่าลืมว่าการพิจารณาปัจจัยสี่นั้นเป็นญาณสังวรญาณสังวรเป็นชื่อของปัญญา ปัญญาที่เป็นศาสกาสัมปชัญญะอันในสัมปชัญญะเจ็ดหมวดเนี่ยนะการนุ่งห่มนะการนุ่งห่มเนี่ยก็หนึ่งในสัมปชัญญะให้พยายามคํานึงถึงประโยชน์ให้มากๆในขณะที่คํานึงถึงประโยชน์หรือเกิดการพิจารณาการใคร่ครวญกุศลจิตอันนั้นจะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปก็สังเกตดูนะถ้าเราเผลอไม่ไม่ได้ปัจจเวกผ้าเลยนะใช้สอยผ้าไป เวลาศึกษาธรรมะนี่เราเรารู้เลยนะว่าเราพร่องไปอย่างหนึ่งรู้เลยสังเกตดูนะถ้ามานั่งจะแสดงธรรมเนี่ยมาถึงว่าพิจารณาที่นั่งก่อนแล้วแสดงธรรมกับไม่พิจารณาแล้วแสดงเนี่ยนะคนละอย่างเหมือนกันเลยนะสภาพจิตนี่ก็คนละเรื่องเหมือนกันงั้นกุศลศีลเนี่ยมีความสําคัญค่อนข้างมากพยายามไข่ครวนถ้าพิจารณาไม่เป็นก็เอาตามสูตรนั่นแหละว่าแบบนกแก้วนกคุณทองไปก่อนว่าจนชนานาญเดี๋ยมันจะเริ่มเป็นเองเนะ่ยนะ แต่ถ้าหมายให้มันเห็นประโยชน์ทุกครั้งทุกครั้งเลยก็คงยากแต่ก็ต้องฝึ ก, ก น, นะฝึกว่าตามพุทธพจน์ไปก่อนเดี๋ยนะเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเดี๋ยวจิตเราประนีตขึ้นนะต่อไปมันจะเห็นประโยชน์อย่างที่ว่าจริงๆอาจจะหกจีวอนี่ต้องท่องปฏิสังขารโยยยังไครับอ่าเป็นไปได้ดีทุกครั้งแต่คําว่าท่องในที่นี้คนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นภาษาพูดของเขาดะนั้นควรเข้าใจความหมายของแต่ละคําอย่างดีเลย เช่นคําว่าโดยอุบายโดยแยบคายหรือถูกทางคําว่าแยบคายนี่หมายคำว่าอย่างไรหมายคำว่าถ้าไม่พิจารณามีโทษอย่างไรพิจารณาแล้วมีประโยชน์อย่างไรแล้วประโยชน์ของการใช้สอยผ้าแต่ละอย่างเนี่ยประโยชน์เหล่านั้นคืออะไรบ้าง น, นะก็พิจารณาแบบนี้บ่อยๆไม่น่าเชื่อนะว่าการพิจารณาแบบนี้จะรองรับปุสโธรรมชั้นสูงถ้าไม่พิจารณาแบบนี้บ่อยๆรองรับปุสโธรรมชั้นสูงไม่ได้นะ ล้วก็ใครควรดูนะว่าชีวิตของเราเนี่ยใช้สอยและพิจารณาได้กี่ครั้งแล้วถ้าพิจารณาเท่านั้นครั้งเนี่ยศีลประเภทนี้เกิดเท่านั้นทีนั่นแหละ